ธรรมบทแปลเรื่องที่120เรื่องพระอุตราเถรีพักที่หเรื่องที่สของวรคที่11อชราวัคคะวานนาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระอุตราเถรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ปริชิ น, นมีดังรู ป, ปังเป็นต้นตอนพระเถรีอดอาหารเพราะน้ำใจกรุณาดังได้สดับมาพระเถรีมีอายุได้120ปีโดยกำเนิดเที่ยวบินทบดได้บินทบดแล้วเห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนนได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบินทบด เมื่อภิกษุนั้นไม่ห้ามรับเอาก็ถวายทั้งหมดได้อดอาหารแล้วแม้ในวันที่สองที่สก็ได้ถวายพัดแกภิกษุนั้นแหละในที่นั้นเหมือนกันได้อดอาหารแล้วอย่างนั้นตอนได้ฟังเทศนาบรรลุโสดาปิผลแต่ในวันที่สีพระเถรีเที่ยวบิณฑบาต พบพระศัสดาในที่แคบแห่งหนึ่งเมื่อถอยหลังได้เหยียบมุมจีวรของตนซึ่งห้อยอยู่ไม่สามารถจะตั้งตัวได้จึงส่วนล้มแล้วพระศัสดาเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้วตรัสว่าน้องหญิงอัตภาพของเธอแก่งงอมแล้วต่อการไม่ช้านักก็จะแตกสลายไปดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่าปริชินนมีดังรูปังโรคะนินทังปะพังขุนังปิญจติปูติสั้นเดโฮมรนันตังหิชีวิตันติรูปนี้แก่ง่อมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจะแตก เราชีวิตมีความตายเป็นที่สุดตอนแก้อัดเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าน้องหญิงรูปนี้คือที่นับว่าสรีระของเธอชื่อว่าแก่งอ่อมแล้วเพราะความเป็นคนแก่ก ร, รูปนั้นแลชื่อว่าเป็นรังของโรคเพราะอาจว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของโรคทุกชนิด เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกแม้หนุ่มเขาเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกแก่เถาหัวด้วนแม้อ่อนเขาเรียกว่าเถาเน่าฉันใดรูปนี้ก็ฉันนั้นเกิดในวันนั้นแม้เป็นรูปมีสีเหมือนทองคําก็ชื่อว่ากายเน่าเปื่อยพังเพราะอาจว่าไหลออกเป็นนิดกายของเธอนี้นั้นเป็นของเน่า เพิ่งทราบเถิดว่าจะแตกคือจกทำลายต่อการไม่นานนักเพราะเหตุไรเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสเป็นคำอธิบายไว้ว่าเพราะชีวิตของสรรพสัตว์มีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้นในเวลาจบทาเทศนาพระถรีบรรุโสดาปฏิบุรแล้วเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์ แม้แกมหาชนแล้วทั้งนี้แลเรื่องพระอุตตราเถรีจบ